50 languages. t h i r t 3 At the restaurant. Which, ten. i want Menu. A starter. ดิฉันอยากได้สลดัดค่ะเมนูอีกสลัดชัหนึ่ดิฉันอยากได้ซุปค่ะเมนูอีกซุปชั้นหนึ่งดิฉันอยากได้ของหวานค่ะเมนูอีกเดซิทชั้นหนึ่งค่ะดิฉันอยากได้ไอิสครีมใส่วิปครีมค่ะ เมนูครีมนาลิคไอศครีมชัยดีเหรดิฉันอยากได้ผลไม้หรือชีสค่ะเมนูคุณเจ้าฟ้าเลจ้าพันีรชด้าเหรอเราต้องการทานอาหารเช้าอาซีน้าชตาการนาช่ะหนเเราต้องการทานอาหารกลางวันอาซีดอเพย์ดาข้าวนาข้า เราต้องการทานอาหารเย็นอาซีราดดานะข้าวนาข้าวนาใจนเดห์ฮอาหารเช้ารับเป็นอะไรดีคะทุกฮะนู้นน้าชเต้เวเ ช, ช่คีใจดะฮขนมปังกับแยมและน้ำผึ้งไหมคะแยมอัติแสด์วาเล่โรลขนมปังปิ้งกับไส้กรอกและชีสไหมคะ ซอสเเจจัติเนเนนัลโทสต์ไข่ล่วงไหมคะอบเลยหยาอนดาไข่ดาวไหมคะทะเลยหัวยาอนดาออมเลตไหมคะออมเลตขอโยเกิร์ตอีกหนึ่งถ้วยค่ะครพักรคกอีกอดเดนะ ขอเกลือและพริกไทยด้วยค่ะคีรพาการเก่นมันอะเตมิรช์เดน่าขอน้ำเปล่าอีกหนึ่งแก้วค่ะคีรพาการเกะอีกฮูรเพย์ลาเดน่า